วันนี้วันเพรญเดือน 8, แปปกติก็เป็นวันอาสาฬหะบูชาบูชากลางเดือน8ดเนื่องจากเป็นวันพระธมเทศนาพระเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนะมรุกตายวันเทศกันแรก เทศกาล น, นี้เป็นเทศกาลแรกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีโกนธัญญาวัปปะภัติยะมหานามอัศชิชีปราณสีประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6มาจนถึงวันนี้เป็นเวลาสองเดือน เป็นเวลาสองเดือนสองเดือนนี้ก็เจ็ดเจดสี่สบเกี่สวันพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขหลังจากบรรลุธรรมวันเพ็ญเดือนหพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันเจ็ดเจดสี่สเท่ากับเข้าวมัทุปายาตของนางสุจาดาที่พระองค์ ปันได้49ก้อนเจ็ดเสี่เก็เสียเวลาไป49วสิบเ้วันแล้วโมเวสวยิมุติสุขอยู่จากนั้นแล้วก็มาดำริที่จะปรงใจที่จะเทศโปรดเวนนยสัตว์คนแรกที่ระลึกถึงก็คืออุทกดาบดอ า, อ า, าราดาบด เราเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนคนที่จะรู้ตามเห็นตามจะต้องเป็นคนที่มีใจละเอียดเห็นว่าดาบ ท, ทั้งสองในจิตใจละเอียดมากได้ทั้งรูปได้ทั้งรูปปสมาบัติอรูปปสมาบัติมีพื้นฐานแห่งความสงบได้เป็นอย่างดีเยี่ยมดำรงดำริที่จะโปรดแต่มีเวลาเดียดเทวดาก็บอก เทวดาบอกว่าดา บ, บุตทั้งสองรตายไปแล้วดับชีวชนไปแล้วจุติไปอยู่นู่นไปอยู่บนพรหมโลกแล้วละ่ะแปดมื่นสี่พันกับโอ้โหอายุยืดยาวยืนยาวมากไปเกิดในพรหมชั้นอรุ ป, ปรพรหมพระโอษพระจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อไรไม่รู้เมื่ อ, อไหร่กี่กับ จะได้มาอาบัตในโลกมนุษย์อีกมันจะไปสเสวยสุงอยู่นู่นนะสิ้นระยะเวลาโน้นนานแ้วเกินแต่ก็หมดได้หมดเป็น อ, องค์หนึ่งก็เสียไป อ, องค์หนึ่งก็เพิ่งสิ้นวันนี้นะจะไปโปรดใครสักองค์ก็ไม่ได้เพิ่งสินส้นเสียะไประยะใกล้ๆกันอุทกดาบดกับอลาระดาบดซึ่งเป็นอาจารย์ที่ องออกชื่อในการไปฝึกฝนอบรมเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทกันดาบทกับอลาระดาบทพหลังจากนั้นมาก็ดำานิที่จะปรดใครเนอะต่อไปก็มองเห็นปัญจวัคคีซึ่งเป็นคนที่ติดตามเฝ้าอุปธรรมปฐากนแต่เนื่องจากปัญจวัคคีหนีจากพระองค์ จากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชครึ่งมาอยู่ที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนามรึกกทายวันเมืองพาราณสีสี่สิบห้าวันพระองค์ต้องเดินทางมาอีกเท่าไรสิบห้าวันถึงจะได้เทศ ซึ่งเป็นเวลาสองเดือนพอดีถึงจะได้เทศโปรดปัญจวัคคีย์หมดเวลาไปกับสวยวิมุติสุข45วัน49วันแล้วก็49 50 60วันสองเดือนพระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นเวลาสองเดือนเท่ากับ รรปพุทธเจ้าหลังจากออกจากโสวียวมุทิสุขมาปวดปัญจวัคคี11อวันอยู่นัน้วันกับ11วันก็เป็นสองเดือนพอดีในเทศสนากันแรกธรรมจักกับปวัตนาสูตรพูดถึงจักธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุ จักธรรมของพระองค์ที่พระองค์ภายในพระทัยขององคเป็นไปแล้วจักแห่งธรรมเป็นไปแล้วแสดงถึง ท, ทำให้จกักแสดงถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนื่องจากพระองค์ต้องเสียเวลาปฏิบัติเป็นเวลาถึงหกปีหกพระพรรษาหกปีนี้ทําให้พระองค์ต้องไปทดลองลัทธินั้นทดลองลัทธินี้ ในบรรดาลัทธิทั้งหลายไปอ่านดูในพุทธประวัติเราจะทราบดีพุทธประวัติเล่มเล็กๆนะที่เป็นหลักสูตรนักธรรมตรีเขาสรุปมาย่อๆให้เราฟังให้เราอ่านง่ายๆไปอ่านปฐมสมโพธิไม่ได้ดอกอั น, นันพิสดารพิสดารมากก็จะยากราชาสัพท์เต็มไปหมดปฐมสมโพธนะิเล่มใหญ่นาหานิวขึงปฐมสมโพธิ พุมโธสมโพธิกถา น, นั้นพิสดารอ่านดูเข้าใจยากแต่มันเป็นวรรณกรรมชั้นเอกเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของกรมอะไรบาอะไรกรมหลวงอะไร ป, ปรวเรีศวริยาลงกรอะไรเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงคนเรียบเรียงแต่ถ้าเราไปดูเขารวบรวมมาในพุทธประวัติ สำหรับเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนี่เข้าใจง่ายพระเจ้าไปรับศึกษาละทินั้นละทินั้นละทินั้นละทินั้นก็ไม่เป็นที่พอพระไทยว่าจะทําให้พระองค์เนี่ยพ้นทุกข์ไปได้แม้แต่ไปศึกษากับอุทกกดาบุตรอารัฎดาบุตระซึ่งไม่นานไม่เนอนนานเลยทําให้พระองค์ได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติก็คืออรูปปิชาณนั่นแหละละเอียดจิตละเอียดมาก ลาบท้งสองนั้นถ้าเกิดได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกระโปรงไปเขียทุลีออกจากตาแก๊กเดียวครับสว่างโรล่ลเพียงแต่บอกวิธีดำรงจิตหันเหจิตให้ไปในทิศ ท, ทางที่ถูกต้องเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สอดส่องดทูทะลุเข้าสู่ธรรมชาติตามความเป็นจริงจิตก็สามารถซึมซับเข้าไปด้วยอานาจของความสงบ ด้วยความละเอียดของจิตก็สามารถซึมซาบไปได้อย่างรวดเร็วทะลุโ ป, ป, ป, ปรงได้บรรลุธรรมแต่ก็พลาดโอกาสอันงามไปแล้วน่าเสียดายปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมทำใม้จากกับวรรนะสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพอเทศจบพระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้พระโสดาบันพระองค์ก็ อุทานออกมาอัญญาสิวัตโพโกนดันโยอัญญาสิวัตโพโกนดันโยโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมถึงแม้ว่าไม่ถึงที่สุดก็เข้าสู่กระแสรธรรมตามพระองค์ไปได้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสงฆ์เป็นอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ไม่เอเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาคือเป็นอริยสงฆ์เพราะระยะบุคคลองค์เดียวเขาเรียกว่าอริยสงฆ์เนี่ยวันเนี้ยพอดีวันรุ่งขึ้นอย่างสมมติอย่างวันพรุ่งนี้วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแรมสองค่ำเดือนแปดแรมสามค่ำแรมสี่ค่ำวัปปะพัทธิยะหานามะอัตติชิเนี่ยได้บรรลุวันละองค์ละองค์ละองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมวันละองค์ละองค์ละอง์ พอรมห้าค่ำผู้ริจ้าท่านก็ทรงแสดงทรงเทศอีกทเทศกันใหญ่อีกอนัตตลักษณะสูตรอนัตตลักษณะสูตรนะสูตรว่าด้วยความไม่มีตัวไม่มีตนพูดถึงไตรลักษณ์นั่นแหละในธรรมจักรกับอนัตสูตรนั้นท่านพูดถึงทางปฏิบัติทางที่ควรหลีกเว้นสองทางทางยิ่งเกินไปทางหย่อนเกินไป กามุสุขาลิกาเนยโยกย่อนเกินไปเพราะเกี่ยวข้องกับการหมกมุ่นในกามให้อาหารกามมากกว่าแทนที่จะไปศึกษาเรื่องกามแล้วก็ตัดอาหารของกามแล้วก็ทํำลายกามเป็นการไปเสริมกามซะกามสุขาลิกาเนยโยกนี่เป็นทางที่ผิดเป็นทางเลวอตตกิลมัทฐานเโยก เนี่เป็นทางที่เคร่งเกินไปเช่นอย่างทรมานตนทรมานร่างกายไม่ได้ทรมานใจเลยทรมานร่างกายแม้แต่ที่พระองค์ไปฝึกทําทุกกริกรยารอะไรต่รางๆเหล่านั้นเป็นการทรมานร่างกายไม่ได้ทรมานใจกิเลส ท, ทั้งหลายมันไม่ได้เกิดที่กายมันเกิดที่ใจร่างกายต่างหากเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากกิเลส ชีวิตอัตภาพร่างกายได้มาจากกิเลสกิเลสมันเป็นโรงงานผลิตชีวิตให้เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย<ม>เป็นการแก้ไม่ถูกที่เนี่ยเพราะฉะนั้นทางทั้งสองทางเนี่ยปฏิบัติจนตายก็ไม่มีมรรคผลอะไรเกิดขึ้นพระองค์นก็เปิดทางเส้นใหม่ในเมื่อทางเส้นหนึ่งตึงเกินไปทางเส้นหนึ่งหย่อนเกินไป พระองค์ก็ทรงแสดงมัชชิมาปฏิปทาในเมื่อมีถึงมีหย่อนแล้วก็ต้องมีกลางๆางเนี่ยมัชชิมาปฏิปทาคำว่าคําว่ากลางกลางในที่นี้หมายความว่าถูกแนวไปสู่ทางมัคทางผลเพื่อได้มัคได้ผลอย่างแท้จริงก็ทรงแสดงสรุปมาที่อริยมรรคมีองค์แปดสมาทิทสัมมาสังกปรสัมมาวายาสัมมากรมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามโมสัมมา กัมมันโตสมะกัมมันโตสมาส ม, า ม, สมาะสมาวายะโมสมาสติสมาสมาธิเรยบมากมีวงแปดสรุปอีกที่นึงก็ได้แก่ศินสมาธิและปัญญาทางปฏิบัติในพระศาสนาที่พวกเรามาเข้ามาโกลหัวโกนคิ้วนุ่งเรืองห่มเรืองเองนี่ยข้อปฏิบัติของเราก็คือปฏิบัติรักษาศิน เป็นอธิสินให้ได้อธิสินปฏิบัติเพื่อเพื่อความสงบเป็นสมาธิให้เป็นอธิจิตนะปฏิบัติเพื่อปัญญาที่เรียกว่าอาธิปัญญานี่เป็นทางสายกลางเป็นทางตรงเป็นทางเกี่ยวข้องกับเหตุกับผลอย่างแท้จริงไม่มีสุม่มไม่มีเดาไม่มีอะไรแหละ อาศัยเหตุผลโร่เฉพาะหน้าเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ผลอย่างนี้ตามมาอย่างนี้ผลอย่างนี้ตามมาอย่างนี้ตกเป็นเหตุที่จะให้เกิดสิ่งโน้นอตามมาผลอันนั้นกลายเป็นเหตุให้เกิดสิ่งโน้นตามมาผลอันนั้นเป็นเหตุเหตุให้เกิดผลอันนั้นตามมามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเกาะกันเป็นลูกโซ่เหมือนลูกโซ่คือเหตุคือปัจจัย ไปดูถ้าท่านไล่ในหลักปฏิจจสมุปบาทไปดูท่านไล่ไล่มาทั้งสายทั้งสายเกิดทั้งสายดับสายเกิดก็คือกิเลสเกิดที่ใจนะเริ่มมาแต่อวิชาเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณมาจนถึงได้อัตภาพร่างกายเกิดแก่เจ็บตายวิโยกพราดพราดทกะทุกขะ โทมนัสสะอุปาญาติไล่ถอยหลังไปนะร้องให้ข้ามครวนเพราะอะไรทุกโศกเพราะอะไรเพราะมีอัตภาพร่างกายทำไมถึงทำไมถึงมีอัตภาพร่างกายก็เพราะว่าเกิดทําไมถึงมีเกิดเพราะมีภพทําไมถึงมีภพเพราะเพราะมีตัณหามีอุปาทาน จะเป็นเหตุให้เกิดพบนะธ า, มารมะจึงมีตันหามีอยู่ปาทานอาศัยสิ่งสัมผัสมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในสัมผัสกันของเก่ากิเลสเก่ามันส่งมาแล้วกิเลสใหม่มันก็มาทําอุปกรณ์ชิ้นส่วนเพื่อที่จะทำให้เกิดกิเลสใหม่เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นอีกนะเกิดการสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียง จมูกทำสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายกระทบเอกายกระทบสัมผัสกระทบผัสสะจิตใจน้อมนึกอารมณ์นี่นี่คือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมันสัมผัสสัมพันธ์กันและเป็นเหตุปัจจัยเกิดเวทนายินดีในสิ่งที่เห็นว่าดียินร้ายในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดี เ ป, เป็นเวทนาเป็นเวทนาเวทนาตัวนี้มันเป็นตัวแปลงให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นตัณหาใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัณหาเก่าลสงพวกเรามาแล้วตัณหาใหม่ในใจวิถีที่มันเกิดมันเกิดลักษณะนี้เกิดเวทนาเกิดมาจากสัมผัสเกิดมาจากผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหา ตัณหาดีใจยึดเอาถือเอาเสียใจก็ยึดเอาถือเอาดีใจก็ยึดเสียใจก็ยึ ด, ออ ด, ย ด, ยยดที่จะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานโดยอัตโนมัติของกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราะในเมื่ออุปาทานยึดเอาอยัางไงมันก็มันก็ได้พบได้ชาติอย่างนั้นจิตมันก็ผูกพันมันก็จับจองมันเกี่ยวเนื่องมันผูกพันมันจับจอง ที่สันติว่าอุปาทานอุปาทานเพราะฉะนั้นผลผ ล, ผลของเวทนาผลของการยึดผลของบุญผลของบาปอันไหนมีมาป ก, ก็ให้ผลก่อนอันไหนมีบาป อ, อันไหนมันอยู่ใกล้ๆก็ได้รับผลเป็นเหตุให้ได้เสวยสุขบ้างเป็นเหตุหได้เสวยทุกข์บ้างนี่คือพบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและเกิดขึ้นรอหลัง หลังพบที่ตายไปไปเกิดในพบนั้นไปเกิดในพบนั้นไปเกิดในกำเนิด น, นั้นแต่โดยที่แท้จริงจิตมันเป็นอยู่ก่อนแล้วแหละพื้นเพในจิตนี่แหละมันบ่งบอกทังว่าเราควรจะอยู่ในพบภูมิหยาบหรือละเอียดยังไงมันบ่งบอกในจิตนะเพราะการฝึกฝนอบรมได้ในปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตเอ มันไปจากมันไปจากพื้นเพของจิตดวงนี้ดวงที่เราฝึกฝนอบรมได้เนยะอุปาทานจึงเป็นปัใจจัยเกิดพบเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีชาติคือไปเกิดในพบเมื่อไปเกิดแล้วก็ได้อัตภาพขึ้นมาแล้วมีชาติเมื่อมีชาติมาแล้วก็ชราชรามีชรามีมรณะ นอกจากชรามรณะแล้วยังไม่ชรายังไม่มรณะมันก็เกิดโศกะปริเทวะร้ อ, รองไห้ครค่ำครวญเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองบ้างร้องไห้ให้ครค่ำครวญเกี่ยวกับเรื่องของตัวคนอื่นบ้างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่เราเคารพนับถือทําให้เราต้องเศร้าต้องโศกต้องเสียใจโศกะปริเทวะทุกขะโทมณัสสอุปาญาต อุปาญาต์แปลว่าเหี่ยวแห้งใจมันทุกข์ภายในใจจนใจนี่เหี่ยวแห้งเหมือนไม่มีชีวิตชีวาหมดอะไรใจอยาก น, นอนน่ะคือความทุกข์เส้นสายของความทุกข์ของกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราไล่ย้อนหลังไปมันก็อย่างนี้ภัตตะเป็นปันจจัยเกิดเวทนาภัตตามันก็มาจากอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสําคัญ สัมผัสกันยัตตนะภายนอ้อยัตตนะภายในยก็มาจาการูปนามรูปานามรูปก็มาจากวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณมาจากสังขาร น, นะขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไป เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นสิบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดมันมันปรุงกันประกอบกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกลไกสังขารนี่คือกลไกของสิ่งรวมสิ่งประกอบบรรดาสิ่งรวมสิ่งประกอบทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่าสังขารแม้แต่จิตของเราคือผู้รู้ของเราเดี๋ยวนี้มันก็ประกอบประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ย ประกอบไปด้วยคีเลตเมื่อมีสิ่งประกอบท่านจึงเรียกว่าสังขารสังขารมันเกิดขึ้นมาได้ยงไงเกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่ฉลาดไม่มีความรอบรู้นั่นแหละที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเราดูภาวะความโง่กับความฉลาดในใจของเราเราก็ทราบได้แก่ใจด้วยตัวของตัวเราเองดูตัวเองนี่แหละเป็นอุ ป, ปมา เราดูความโง่ในใจของเราเราดูความฉลาดในใจของเราเนี่ยแหละตราบใดที่มันไม่มีความฉลาดเกิดขึ้นมันก็ทําให้เรานึกให้เราคิดให้เราปรุงเช่นอย่างเรานั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเผลอแป๊บเดียวสังขารายสมุทยัยเนี่ยสังขารายสมุทัยที่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกเข้ามาปับ๊บโอ้เป็นนึกนู่นโผล่ไป น, นึกเรื่องรัก ทีไหนก็นมารู้โผล่ไปนึกเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาเรื่องพยาบาทเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรสารพัดอ่ะมันโผล่เข้ามาตันหาฝ่ายไอสังขารฝ่ายสมุทยัยอ่ะมันโผล่เข้ามาทํางานแทนที่ฝ่ายสมุทยัยฝ่ายสมุทัยฝ่ายฝ่ายประหารฝ่ายละฝ่ายตัดอ สมุทไยฝ่ายประหารสมุดไทยฝ่ายละสมุดไทยฝ่ายตัดสมุดไทยคือฝ่าย ร, รมฝ่ายรรมอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้มือเราที่สุดก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติธรรมก็เกิดที่ใจของเราสัมป ช, ชัญญะธรรมก็เกิดที่ใจของเราเราย้อนดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นสติของเราตราบใดที่ผู้รู้ของเราเนี่ยเด่นชัดอยู่ร่อเฉพาะหน้านั่นน่ะ เรว่าสติเราดีสติเราเด่นชัดทําให้เรารู้ทั่วเท่าทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นชิ้นส่วนนี่นี่เป็นฝ่ายตัดเป็นฝ่ายละเป็นฝ่ายประหารตัวสมุทยัยคือกิเลสหมายความว่ า, วาสังขารคือสิ่งประกอบเราตามชะตามล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมาที่เราเรียกว่าสังขารแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือน ความปนเปื้อนของวัตถุทั้งหลายทั้งปวงอย่างอื่นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความโง่ ก, กับความฉลาดในใจของเราคือเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่รอบเรายังไม่รอบคอบยังไม่รอบรู้เราปล่อยให้สังขารที่เป็นฝ่ายสมุทยัยมันปนเปื้อนมาปนเปื้อนมาตั้งแต่กับการปุเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ไม่ว่าท่านไม่ว่าเรา ว่าแต่เรามีผู้รู้มาด้วยกันทุกคนมันก็ปนเปื้อนมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนเราก็ไม่รู้เราก็ทราบไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุเป็นหน่อเป็นเนื้ อ, อเป็นยางเหนียวทําให้เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมันเป็นเส้นสายเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่แหละถ้าเราดูไปให้ชัดเจนนี่แหละคือผลของมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาพิจารณาอะไรนะ ต่าน ง, งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในวาระที่เท่าไหร่นะที่ทรงโสดาบัมุติสุขสอะทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอะพิจารณาไล่เป็นเส้นเป็นสายอวิจารไล่ทั้งสายสายเกิดไล่ทั้งสายดับคําว่าสายเกิดก็ ค, คือสายสมุทัยของกิเลสมันเกิดนะสายสมุทัยของกิเลสมันเกิดเกิดขึ้นอวิชาเป็นปัจจัยเกิด สังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดอายตนะให้เกิดผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาตินี่คือสายเกิดทีนี้ท่านพูดถึงสายดับพุทธิยาท่านไล่มาทั้งสายเกิดทั้งสายดับหมายความว่าตัณหาดับตัณหาดับก็คืออวิชชามันดับไป เกิดวิชารู้โจรแจ้งแทงตลอดทะลุที่เรียกว่าขณะจิตเดียวที่ได้บรรลุธรรมปึงออกไปสิ่งเหล่านั้นก็หลุดออกไปจากหัวใจนี่คือการได้บรรลุธรรมคล้ายๆกับว่าวิ ช, ช, าว ช, ชามันเกิดวิ ช, ชาแปลว่าความรู้มันหักล้างอาวิชชาได้พอวิ ช, ชามันเกิดความรู้ได้ สังขารที่เคยมาเกาะเนื่องอยู่ในหัวใจของเราทาให้เราต้องปรุงต้องแต่งต้องเกี่ยวข้องต้องสืบเนื่องกับสิ่งมาเกี่ยวข้องผัวผาน์กับจิตของเราเสิ่งเหล่านี้ก็ขาดไปหายไปถือว่าเป็นการเอาปัญญามาชะมาล้างจนตัวสังขารที่ติดแนบเนื่องมากับจิตเราเนี่ยหลุดไปหายไปขาดไปหมดไปว่า ง, งั้นเถอะเหือดไปแห้งไปหมดจากจิตจากคันทสันดานเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ นี่ที่ท่านเรียกว่าที่ท่าเรียกว่ามันดับท่านพูดถึงสายดับอวิชชาดับอวิชชาดับตันหาที่เป็นเรื่องของสังขสังขารที่เป็นประเภทของสมุทัยก็ดับตันหาที่เป็นเป็นเรื่องของสังขารที่เป็นสมุทัยก็ดับตันหามันดับสังขารดับวิญญาณดับ หมายถึงตัณหาดับนะนามรูปดับไม่ใช่หมายถึงนามรูปมันดับหมายถึงตัณหาในนามรูปมันดับนามรูปดับอายตนะดับหมายถึงตัณหาดับภัตสะดับหมายถึงตัณหาดับเวทนาดับหมายถึงตัณหาในเวทนามันดับเนี่ยมันดับมาอย่างนี้ตัวเดียวนั่นแหละ ตัวตันหานี่มันดับตัวตันหาตัวความอยากความอยากความดิ้นรนด้วยความลุ่มหลงด้วยโมหะคือความหลงด้วยอวิชชาคือความไม่รู้พอความรู้มาเกิดแจ้งปั๊บมันก็ดับดับดับดับดับเวทนาก็สักว่าเวทนาตันหาไม่มีตันหาขาดช่วงเมื่อตันหาขาดช่วง ตันหาขาดช่วงหมายถึงตันหาใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตันหาเนี่ยตันหาตอนนี้ก็ขาดช่วงมันก็มันก็ดับตันหาตอนนี้ดับตันหาดับอุปาทานก็ดับคือมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวแต่พอเวลาไปไล่มันก็เป็นเส้นเป็นสายเกาะกันเหมือนลูกโซ่เป็นเหตุปัจจัยของมันอ มันเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าปฏิจจะปฏิจจะแปล ว, ว่าอาศัยสมุบบาทอาศัยเกิดขึ้นดังนี้เป็นเหมือ น, นลูกโซ่เกาะกันเกาะกันเกาะกันเป็นแนวเป็นแนวพอมันร่วงมันก็ร่วงไปหมดอพอหมดอุปาทานก็หมดพบหมดพบคือหมดที่เกิดเมื่อหมดหมดเมื่อหมดที่เกิดจิตดวงที่จะไปเกิดมันก็ไม่มีที่เกิดแล้วล่ะมันก็เหลือปัจจุบันร่องอยู่นั่น มันไม่มีที่เกิดเมื่อไม่มีที่เกิดก็ไม่ไม่มีพบก็ไม่มีที่เกิดก็ไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ก็ไม่ต้องเจ็บก็ไม่ต้องตายแต่ผู้รู้ผู้รู้ดวงนี้อ่าก็ชำระได้สุธิหมดจดดั้งเดิมตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไปอคือชื่อว่าไปปฏิสนธิเกิดในพบใหม่ในชาติใหม่ที่ไหนไม่มีเพราะไอ้ตัว ตันหาตัวอุปาทานที่เป็นภาชนะคอยเก็บบาปเก็บกรรมน่ยมันไม่มีหมดตันหาหมดอุปาทานหมดตันหาหมดอุปาทานก็หมดหมดกรรมหมดวิบากรรมหมดผลของกรรมเวลากิริยาอาการของผู้รู้แสดงออกมาก็สักจว่าเป็นกิริยาที่ท่านเรียกว่าเป็นกิริยาเป็นกิริยาเป็นอาการของผู้รู้แสดงออกมา เพราะฉะนนพระอรหันต์ท่านศักดิ์ทว่าเป็นกิริยาไม่มีวิบากกรรมไม่มีวิบากกรรมที่จะส่งท่านไปโอไปเกิดในภพนั้นในภพนี้ไม่มีไม่มีภพท่านหมดภพเนื่องจากว่าจำระบริสุทธิ์สิ้นสุดหมดจดทําลายสังขารเดือดพูรูหนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสองตั้งแต่สองเป็นต้นไปก็แปลว่าสังขาร สังขารใดก็ตามที่เกาะเกี่ยวบูพพันธ์กันสังขาร น, นั้นไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไม่คงอยู่กับที่นั่นแหละเป็นทุกขังเปลี่ยนตัวเองไปนั่นแหละเป็นอนิจจังนี่คือภาวะเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานที่เราควรเข้าใจสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันไม่เคยอยู่คงที่ เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยลักษณะไม่คงที่ของมันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังความไม่คงที่เปลี่ยนตัวในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนตัวเองไปก็เป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเราจะว่าทุกขังเป็นอนิจจังก็ไม่ใช่อนิจจังเป็นทุกขังก็ไม่ใช่แต่หากมันต่อเนื่องกันเหมือนกับเหรียญสองหน้านั่นแหละ เวลาเราพลิกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเริ่มโผล่มาอีกข้างหนึ่งก็เริ่มเริ่มล้าไปอรข้างหนึ่งเริ่มโผล่มาข้ครางหนึ่งข้างหนึ่งเริ่มเริ่มล้าไปอีข้างหนึ่งเริ่มชัดขึ้นมาอีข้างหนึ่งก็เริ่มหายไปคล้ายๆคล้ายๆว่ามันส่งผลกันอย่างนี้แหละเป็นลักษณะอนิจจังท่านจริงว่าอนิจจังยังไงทุกขังก็อันนั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเป็นภาวะ ดั้งเดิมของกฎธรรมชาติอันนี้ไม่มีใครจะมาสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าบังคับบัญชาไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าหากมีอัตตาตัวตนแล้วใไ้เราบอกไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้ภาวะอันนี้จึงเป็นภาวะของอนัตตา เนี่ยเป็นปรัชญาที่ขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์อย่างจังๆในสมัยนั้นสมัยที่พระองค์ทร ง, ทรงพระชนอยู่นมันเป็นปรัชญาหนึ่งเดียวที่ขัดแย้งกับหลักของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมยเพราะว่ามีอัตตามีตัวตนแต่แต่พระองค์ทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นอัตตาแล้วใส่ต้องมาคับบัญชาได้แต่เนื้อหาที่แท้จริงก็คือนี่แหละ ภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติเนี่ยท่านย้อนไปดูที่ธรรมชาติจิตของท่านธรรมชาติจิตของเราของท่านเราย้อนไปดูจิตธรรมชาติจิตของเราเราย้อนมาดูธรรมชาติกายของเราร่างกายของเรามันเป็นผลิตผลมาจากจิตก็จริงอยู่แต่ว่าเอาจิตนี่มาบังคับบัญชากายมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เพียงแต่เราใช้สอยยืนเดินนั่งนอนลุก กินดื่มทำพูดคิดไปเท่านั้นเองอาศัยว่าจิตเป็นตัวบังคับเป็นตัวขับขี่แต่เราบังคับไม่ให้มันแก่บังคับไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันหยุดอยู่กับที่ไม่ให้แก่ก็หยุดไม่ได้เพราะารูปธรรมตัวนี้มันก็มีมันก็เป็นสังขารสังขารส่วนที่เป็นรูปธรรม ขึ้ชื่อภาาทังขานไม่ไว่าจะเป็นทั้งสวนรูปธรรมไม่ไว่าจะเป็นส่วนนามนธรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของมันเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นเอกเทศของมันร่างกายมีเอกเทศมีเหตุปัจจัยเป็นเอกเทศของมันเราดูเหตุปัจจัยร่างกายของเราเกิดในท้องแม่มันเป็นรูปมันเป็นรูปวัตถุเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัส แต่ว่าอาศัยจิตที่มากับกรรมมาจับจองแน่ใช่ไหมไมาจับจองมาสวมรอยเอาเรือนร่างอันนี้ทั้งๆที่เรือนร่างไม่ใช่ของเราแม้แต่หยดเดียวแม้แต่เลือดหยดเดียวก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของของพ่อกับของแม่ผสมกันแล้วทําให้เราเจริญเติบโตในท้องแม่นี่เราดูรูปธรรม ท, ทีนี้จิตดวงนั้นเน่ย อาศัยอำนาจกรรมเกี่ยวข้องกันก็มาสวมเรือนร่างอันนั้นหลังจากสวมเรือนร่างอันนั้นแล้วก็ทําให้สังขารตัวนี้เจริญวัฒนาถาวรมาในลักษณะของรูปธรรมแต่นามมัาทเาเข า, เขาเท่าเดิมนามมาทําเขาเท่าเดิมเราจะเห็นว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยความแข็งแกร่งเกี่ยวกับมันสมองกับสติกับปัญญากับอะไรทัวอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงมาตาม อายุไขเห็นไหมสมยัสมยเด็กๆสมัยเด็กๆเริ่มรู้เดียงสาภ า, าวะร่างกายยังไม่สมประกอบเท่าไหร่มันสมองก็ยังค่อยๆพัฒนาไปเรืพัฒนาไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราก็จะเพิ่มราก็จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจความฉลาดความสามารถขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมเรยซึ่งมันก็แสดงออกมาตามรูปธรรม ท, ที่มันเจริญเติบโตแต่แท้ที่จริงภาวะของนามธรรมอ่ะเขามีความสามารถอยู่ดั่งเดิมเท่าเดิม แต่ด้วยเหตุที่ร่างกายออมาแสดงใ ห, ให้เกิดความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วไม่ได้กลายเป็นพื้นเพกลายเป็นเจรินิสัยจิตดตรงนี้อมแปรยอยู่กรรมของใครของเรามีเท่ากับตัวของตัวเองที่เราหอบพิโวมาเนี่นี่คือภาวะของรูปธรรมกับภาวะของนามธรรมนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงท่านทรงแสดงถึง มัชชีมาปฏิปทาคือทางสายกลางเริ่มต้นไปตั้งแต่การตั้งใจรักษาสินสินนี่เป็นเรื่องมาระ ง, งับกิเลสทางกายไม่ไม่ให้ร่างกายของเรากิเลสเข้ามาแทรกทางกายให้เราแสดงกิริยาออกทางกายกิริยาทางวาจาสินรักษาสินเพื่อกากับกายของเราให้ให้ให้ปกติรักษาวาจาคาพูดของเราให้ปกติ นี่คือรักษาให้ปกติให้ปกติยังไงให้ปกติรักษาให้ปกติกตกตกกตนะคำว่าปกติก็คือไม่ผิดไม่ผิดสินซึ่งเป็นเหตุให้เราล่งละเมิดด้วยกายเป็นเหตุเราล่งละเมิดด้วยวาจามันก็เป็นการปิดช่องรูของกิเลสได้สองช่องช่องกายช่องวาจากิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราไปทําอะไรได้หมดไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปเระพฤติผิดในกามไปทําได้หมดศีลข้อห้านะนิดหน่อยนอก น, นั้นมีเป็นร้อยเป็นพันอะโล่งละเมิดได้หมดถ้าคนไม่รักษาศีลล่งละเมิดแต่ละข้อแต่ละข้อก็คือมันเป็นช่องทางที่กิเลสมันมันทะลักเข้ามาทับทั่วหัวใจมันเป็นช่องทางที่เราสร้างกรรมกายกรรม ว่าจารกับวิจีกรรมเนยมันเป็นช่องทางที่ทำให้เราสร้างกรรมกรรมเก่าก็มีมามาแล้วมากมายกรรมใหม่ก็สร้างเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าเผื่อกรรมชั่วเราสร้างมามากแล้วกรรมชั่วใหม่เราก็สร้างเพิ่มอีสร้างเพิ่มอีโอ้โหมันมันยิ่งทับถมทวีคูณแต่ถ้าตรงกันข้ามความกรรมดีเราสร้างมามากแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างกรรมกายกรรมวิจีกรรม แต่ในสิ่งที่เป็นกรรมดีมันก็ยิ่งเพิ่มพูนแต่กรรมดีเป็นกุศลกรรมไปเพราะฉะนั้นการตั้งใจรักษาศีลถือว่าเป็นการปิดช่องปิดรูของกิเลสที่มันจะพึ่งทะลักมาทับทั่วมวยใจของเราในเมื่อเราปิดกิรยิออาา ย, รยาไม่ให้กิเลสแสดงออกทางกายกิริยาไม่ให้กิเลสแสดงออกทางวาจาได้มันก็สามารถนึกคิดในใจได้มันเอาใจไปนึกไปคิดไปปรุงเรื่อง กิเลสกามทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาะศีล ส, สมาธิเอ่อสมาธิเลยไประ ง, งับจิตที่ดิ้นรนด้วยอํานาจของกิเลสท่านจึงเอาให้สงบระ ง, งับด้วยสมาธิสมาธิคือแทนที่จะปล่อยให้จิตนึกคิดเรื่องกามกิเลสเรื่องรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆสัมผัสดีๆนี่มนะันเป็นเรื่องของกามกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนะแทนที่เราจะให้มันคิด มันนึกไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เอาให้จิตตรงนี้มาบริกรรม ร, รมพุทโธธรรมโมธรรมโมธรมโมหรือสังโฆสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับคำเดียว mm hmm. เพราะการดำริของจิตนั่นหละมันเป็นสัญญาเราดำริยังไงรูปปัญญาัภายในจิตมันก็โผลขึ้นมาอย่างนั้น เราดำริยังไงรูปประสัญญาในจิตมันก็โผล่มาอย่างนั้นที่ท่เรียกว่ารูปประสัญญารูปประสัญญาเราพูดถึงรูปจิรรย์รูปประสัญญาก็ปรากฏเราพูดถึงรูปชายอ่อรูปประสัญญาก็ปรากฏเราพูดถึงรูปงามรูปคิริวคิเรรูปคนตายรูปคนเน่ารูปคนเป่วยเน่ารูปโครงกระดูกรูปน่าเกลียดหน้ากลัวรูปลองศพ เน่าเฟนอนยู่เยียวยุบยับเต็มไปหมดเนี่ยพอเราพูดถึงปั๊บสัญญาอารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจที่ต้อเรียกว่าสัญญารูปะสัญญารูปประสัญญาสัญญามันเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงให้ท่านจึงไม่ปล่อยให้จิตนึกคิดเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องเพราะนึกคิดไปแล้วมันเกิดเป็นรูปะสัญญากิเลสสวมรอยได้ง่าย นึกคิดปุปป๊บปั๊บกิเลสสวมรอยดึงจิตเราไปแล้วเพลอแม้แต่เราเอาพุโทโธมามากำกับจิตนะมากำกับจิตเอาพุโทโธเป็นอารมณ์เอาเอาพุโทโธเป็นหลักเนี่ยเอาสติเป็นเชือกมัดเอาไว้เนี่ยเวลาเชือกมันขาดสติมันขาดเนี่ยอ่ามันก็ไปแล้วเ ว, วลาสติมันขาดมันก็ไปแล้วเวลาสติขาดนก็ไปแล้ว มันไปตามอำนาจของความหิวจิตมันหิวหิวกำหนจิตมันหิวหิวกำหนท่านจึงให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธโทเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมท่านจึงให้บัริกรรมพุทโธเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบอารมณ์กามภายในจิตก็ไม่มีกิเลสที่มันจะมายุ่ยใหญ่จิตดวงนั้นก็ไม่มีมันยังมีกิริยาที่แสดงออกมาอยู่ มันยังไม่ดับแต่มันมาแสดงตนนี้ไม่ได้เพราะเราเอาอารมณ์ของทำไปกำกับเอาไว้เน่เพราะฉะนั้นศีลมีผลหนุนสมาธิสมาธิมีผลหนุนปัญญาจิตที่ไม่ถูกกามกิเลสทั้งหลายยุเยะก่อขวนนี่แหละเอาจิตตัวที่สงบสงบนี่แหละนะพอดีพอดีกับที่เราพิจรารณา อารมณ์ที่เป็นรูปมันทำอารมณ์ที่เป็นนามมันทำได้ก็มาพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุที่เราไม่เคยย้อนมาพิจารณามาดูนี่แหละทำให้เราลุ่มหลงลุ่มหลงกายของตัวเองลุ่มหลงจิตของตัวเองลุ่มหลงความรู้ของตัวเองลุ่มหลงความฉลาดของตัวเองลุ่มหลงความโง่งของตัวเองลุ่มหลงความร่ํารวย ของตัวเองลุ่มหลงสารพัดแล้วแต่มันจะพ่าลุ่มหลงนื่องจากเราไม่เคยนึกเคยคิดเคยย้อนมาพิจารณาดูท่านให้เอาจิตที่สงบมีกําลังแห่งความสงบนี่แหละมาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองเราหลงเท่าไหร่เราก็คว้าเท่านั้นหลงเท่าไหร่คว้าเท่านั้นหลงเท่าไหร่ก็ติดเท่านั้นหลงเท่าไหร่ก็ยึดหมดเท่านั้นในเมื่อเราดูพอเราดูเราคลี่คลายเราพิจารณา มันก็กลายเป็นวางเฉยดูพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแทนที่จะ ก, กำมัดยินดีรักใคร่หรือเกิดโทสะเกียดแค้นจริงชังอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่เกิดเพราะเรากำหนดจดจอดูมันก็สักสักตว่ดดูสักตว่าเฉยสักตว่าพิจารณาพิจารณาให้เกิดความรอ้เกิดความเห็น ให้เห็นตัวตันหาที่มันวิ่งเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์ที่เป็นเหตุให้เรารักอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราชังจนสามารถเห็นตัวตันหาวิ่งเข้าไปเกาะสิ่งต่างๆแล้วนั้นทราบที่เกิดของตันหาเกิดที่นี่เกิดจากที่นี่อบรมที่นี่เผาที่นี่ด้วยตปะธรรมเผาไปเผามาเกิดไปเกิดมาแห้งไปแห้งมาขัดสรรีจนดวงไฟเกิด จนให้ไฟเกิดจนให้ไฟติดด้วยตปธรรมความเร่าร้อนจนสามารถเกิดไฟขึ้นมาได้ไฟใช้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานขึ้นมาได้ธรรมะขึ้นมาใช้นี่คือวิธีการที่พระุทยเจ้าท่านทรงสอนหลักใหญ่ในมัชฌิมาปฏิปทาแม้แต่อนณตตะละคณโสูตร ก็สรุปลงไปในหลักของมัชชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายใหม่เป็นทางเส้นใหม่ <c oughs> เป็นทางถ้ำกลางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปิดให้พวกเราได้เดินเจริญรอยตามเป็นทางดําเนินเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติอะไรฮะ <c oughs> อย่าไปวาอะไรติดตัวของยิ่งวางหัวเข่าเนี้ยก็ตกละไลยุงไปก็ถูกละเพราะเราเข็ดเราหลาบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเข็ดหลาบแล้ว เห็นไหมตอนพระองค์เสด็จพระพาสปาณเห็นคนแก่โอ้เราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราก็จะต้องตายทำไมเราถึงจะไม่ตายทำไมเราถึงจะไม่ตายก็เลยเห็นการเกิดปุเพนิวาสานุสสิยานเกิดเกิดเกิดเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตยทำยามในวันเพ็ญเดือนหก ในยามทำกลางก็เห็นสัตว์ทั้งหลายจุติเกิดตายเกิดตายเกิดตายจุติที่นี่เคลื่อนจากนี่ไปที่นู่นเคลื่อนจากนู่นไปที่นี่ทํากรรมอย่างนี้ได้ผลไปเกิดที่นู่นทําผลทํากรรมอย่างนี้ได้ผลอุบัติลงไปที่นู่นขึ้นไปที่นู่นเห็นแต่เกิดตายเกิดตายเกิดตายอะไรเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดให้ตายกันแ น, น่นี่นี่ เพราะฉะนั้นจึงหมุนมาหมุนไปหมุนมาก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทในปัชิมยามเป็นเหตุให้โปรโงหมดความสงสัยสีขัด ส, ส, สีีจนเกิดไฟขึ้นมาได้ไฟใช้ไฟลุกดวงใหญ่โร่สว่างสวยอยู่นี่ประจิตของพุทธเจา้านี่ต้นต่อการกำเนิดของพระศาสนานี่ที่พวกเราได้สละบ้านสละช่อง อดหลับอดนอนอดทุกข์สู่ทนทุกข์ทรมานมาฝึกมาฝืนอัธยาศั ย, ยซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากกิเลมันเกาะกินหัวใจของเราเนี่แหละได้เราแสดงอย่างนั้นทำให้เราแสดงอย่างนี้น อ, ยนอยากย้ายไปอย่างนั้นอยากย้ายไปอย่างนีห้หลงตัวเองว่าอย่างนี้หลงตัวเองว่าอย่างนั้นอยู่อย่างนี้แหละไม่จบ ถ้าเราไม่มาศึกษาเส้นทางเส้นนี้เราจะเข้าถึงสาเหตุต้นต่อก้นบึง้งเบื้องหลังในหัวใจของเราไม่ได้ถ้าเรามาตรงนี้เราก็ขยับไปเรื่อยสาวไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสาวไปเรื่อยย้ยอนไปเรื่อยย้ยอนไปเรื่อยย้ยอนไปเรือเ่อยเพื่อได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมันผลักดันเรามาข้างหน้านี่เมื่อยาะพุทธเจ้าท่านหยัก สราบว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดกันแน่เนี่ยเสาไปสาะไปโอ้วิชานี่เองเป็นปัจจัยเกิดนะเกิดอวิชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ดูมาที่จิตของเราเนี่ยช่วงไหนที่มันโง่ที่สุดก็คือมันไม่รู้มันไม่รู้คือมันไม่ทันนไอ้ตรงนั้นมันมืดที่สุดมันบอดที่สุดอไอ้ตรงไหนตอนไหนที่มันทันน่ะมือมันสว่างมันรู้ มันก็ทําให้เราทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความหลงมันไม่มาบดบังหัวใจทําให้เราทราบอารมณ์ในภายในหัวใจของเราเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ช่วงไหนมันมาบดมาบังคือความโง่มันมาบดมาบังเนี่ยตามันไม่ทันแหละไม่เห็นแหละโป๊ะโป๊ะโผล่ปปปปไปนู้นละโป๊ะโป๊ะโผล่ปปปปไปนี่ละนั่นแหละอวิชชาความไม่รู้ความไม่ฉลาดการที่เราจะมาฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลารตัวเอง ให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจใเกิดความใสสะอาดขึ้นมาเนี่ยต้องอุตส่าห์พยายามต้องเสียสละเสียสละความสุขโยมโยมโยิ้ย ม, ย ม, ย ม, ยมเสียสละความสุขขี้เกียจขี้ค้านอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอิ่ม ยิ่มบ้างอดบ้างทุกยากลำบากทนยุงเจาะยุงขบยุงกัดนอนดึกลุกชเช้าเหน็ดเหนื่อยก็ยังทำนุ่นยังทำนี่อยู่ที่เป็นข้อวัดเราก็คือก็คือเราต้องมาฝึกมาฝืนความขี้เกียจขี้คานมาฝึกฝืนความโง่ที่มันมาทับท่วมหัวใจเราเนี่ย เอาข้อวัดต่างๆมาเป็นเครื่องฝึกเพิ่มพูนสติให้กับจิตของเราเองนี่คือความหมายแต่ถ้าหากเราอยู่ก่อนนั้นนินกินแล้วนอนไม่เคยนึกเคยคิดอะไรเลยก็อพอๆกับใครอยู่ที่ไหนแล้วแหละอืมใครอยู่ที่ไหนก็พอๆกันนั่นแหละถ้าอยู่แบบนั้นนะอยู่บ้านก็พอๆกันอยู่ป่าอยู่วัดก็พอๆกัน อยู่บ้านกับอยู่วัดกับพ่อๆกันแต่ถ้าเราหมุนมาตรงนี้นี่เราได้เปรียบเรายืนอยู่บนชัยสมรภูมิอาศัยความบุตราพยายามอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดความทนอาศัยความเสียสละความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเสียสละความสุขความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่เหนื่อยความเห็นแก่ยากความเห็นแก่ลำบาก ความเห็นแก่ไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยไม่ถูกอารมณ์เพราะเรื่องธรรมะกับเรื่องกิเลสนั้นนะจะต้องผลักกันแต่ไหนแต่ไรกิเลสกับธรรมไม่เคยถูกกันไม่เคยเข้ากันเป็นศัตรูกันหันขั้วขาหาหา้าราชการมาปุ๊บทันทีแหละหันขัวข้ารากัรเนี่ยปุ๊บทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการทำทำ ปฏิบัติธรรมธรรมะให้เกิดขึ้นในใจพอเราอัดธรรมเข้าไปในหัวใจกิเลสมันอยู่ข้างในมันก็ถีบออกมาใช่ไหมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธเข้าไปข้างในกิเลสมันอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยอ่ามันเป็นปฏิปักษ์กันี่มันก็ถีบออกมาแล้วถีบไปไหนก็ไม่รู้แหละอ่าแท้ที่จริงก็คือกําลังสู้มันไม่ได้ตอนนั้นที่มันกําลังมากกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเราทํำไปเรื่อยเราก็สัสมไปเรื่อย ฝึกฝนไปอยอบรมไปเรืสังสมไปเรื่อยเพิ่มพูนกาลังให้กับตัวเองไปเรื่อยสักหน่อยหนึ่งกําลังเราก็เท่ามันสักหน่อยหนึ่งก็มากกว่ามันสักหน่อยหนึ่งก็เห็นเห็นเงามันสักหน่อยหนึ่งก็เห็นตัวมันสักหน่อยหนึ่งก็ได้ต่อกกันหละทีนี่นี่คือ<ณ>คือคือแนวทางคาพูดความอบอุ่มาให้เราเห็นเป็นกลุยหมายปลายทาง ต้องโอ้ต้องใจทาเอาละพอสมควรละว่าจะไม่พูดเลยก็วันนี้ก็รู้ดูว่าจะวันสำคัญอยู่ว่าเ้าหน่อยหนึ่งว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเอาแล้ว